อินนัลมุตตะกีนัฟิมะควอมินะมินในสวรรค์ จะลบสู่สุ س و ุจยิวไว้สตบราคว์ไว้สตบราค ب ์มุตคําบิล كذلك و َ ج َ و َ ج َ ن َ ه ُ م ب ِ ح َ و ر ٍ ع َ ي ن ٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاجِهَةٍ أ َ م ِ ي ن لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى و و ق ع ا ب َ ح ي م ُ و ع ه م عذاب الجحيم. فضلم من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون و إنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذك การุณนับถืออุ ر มุรตาคิบุลฟาร์ตักิบะอินนั่หุมมุรตِกิบุลซุ ي ลัลสวัสตั ไ ه ่ให้เดือดแล้วฟ้าล م มุดลละ ل ละไม่ด ه ล ا ์ฟ้าละฮาลีละและว่ وحده لا شريك له وشد أ ن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك لِمَاتِ اللهِ كَمَاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد ر س و ل ا اللهم إني أعوذ بك من الكسل و س و ء ا ل ك ب ر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم u m m a a'afni fi b a d a n ي wa'a'afni fi ف a m a i wa'a'afni fi b a c r و ب ح م د ه عدد خلقه و ر ض ا نفسه وزينة ع ر ش ه وmiddad كلماته يحيو يقيوم برحمتك أ س ت غ ي ث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس ي ت ر ف ة ع ي ن حسبي الله ونعم الوكيل سبحان الله وبحمده عدد خلقه و ر ض ا ن ف س ه وزينة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك ا س ت غ ي ث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس ال إ ط ف ع ا ع ي ن حسبي الله ونعم الوكيل أسبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمات إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة مسلمة وما أن من المشركين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมในมสัสยิดบรูตมัสยิดอันวาริโซนาที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการตับเซลร์อัลกุรอานผ่านเฟซบุ๊กสวรรค์นในบ้านที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านนะครับละฮัมดุลิลละก่อนอื่นเราต้องเชิญกตออลอขอบคุณอัลลอฮ์ไม่มีอะไรที่สำคัญกว่าการนึกถึงอัลลอฮ์เพราะการนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทำให้หัวใจสงบกุรอานในยันไหนที่บอกว่า ทำให้หัวใจสงบอาลาบิซิคริลไลตัดมาอินุลโกลูจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮฺทำให้หัวใจสงบความเครียดก็จะหายไปความกังวลก็จะหายไปอะไรโรคซึมเศร้าที่มันตามมาอยู่กับเราอยู่มาครอบประตูเข้าบ้านเราเนี่ยบอกขออยู่ด้วยคนเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปถ้าเรานึกถึงอ AH. ัลลอฮฺจริงๆนะ ต้องนึกถึงอัลลอฮ์จริงๆต้องใช้เวลาเกือบ24ชั่วโมงทั้งวันนั่นแหละให้หัวใจเราโยงกับอัลลอฮ์ยังอือเราก็ทำได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยต้องทำเพื่อเพื่ออัลลอ์ขอยกตัวอย่างง่ายๆมีอาเลมูละมะท่านหนึ่งเขียนเขียนตำราไว้ ด, ดีมากก็บอกว่าคำพูดของสฮาบบะคำพูดคำสอนของสฮบ้าเนี่ยเวลาเขาสอนเนี่ย อัละคือคนฟังแล้วได้ประโยชน์เพราะอะไรกับคำพูดของของพวกเราวันนี้เนี่ยพูดเหมือนกันนั่นแหละแต่คนฟังไม่ค่อยได้ประโยชน์สาเหตุมันมีกับสาเหตุเขาาอธิบายดีนะในกลุมล่มอาเลมอลัลเมาในยุคสุฮาบะเนี่ยเวลาเขาสอนในใจของเขาเนี่ยเขาทำเพื่ออัลลอฮ แบอิสลามเพราะอิสลามเนี่ยพราะเกียรติของอิสลามที่เขาได้ลงมือทำแล้วก็ททำเพื่ออัลละ์แต่นี้คนรู้สมัยนี้เนี่ยทำเพื่ออะไรเพื่อจะประกาศตัวเองว่าฉันเก่งเนี่ยคนปัจจุบันนี้เวลาจะสอนใครก็ตามเนี่ยมองตัวเองสาคัญกว่าคำสั่งของอัลละ์ พูดเรื่องเดียวกันนะ่แต่ใจในมันนึกคนละอย่างคนในยุคแรกเนี่ยาทำเพื่อหวังรางวัลตอบแทนจากอ AH. ัลลอบางทีพูดเข้าตัวเองก็ต้องพูดแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่อย่างงั้นนะโชโนนโชนี่อย่างนี้เนี่ยคนฟังได้ประโยชน์มืนกันแต่ได้ไม่เยอะนี่เป็นข้อเตือนใจที่ดีที่สุดขอบคุณอัลลอฮนะครับเราอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหยุด ผมจริงนะไม่อยากหยุดหรอกไปรับปากรับคําที่ลืมดูวันที่คำดุเรื่อยๆนะครับมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเราหยุดนะครับแล้วมาถึงสูโรอัน ด, ดุคอนคำว่าดูคอนเนี่ยแปลว่าสมุกหรือหรือว่าไอได้นะไอหมอกในตัฟซีอธิบายว่าไอหมอกเนี่ยมีสองครั้งครั้งวันดุคอนเนี่ยแปลว่าไอหมอกมีสองครั้งครั้งแรกน่ยมีมาแล้วในยุคนบี ในนครมั ก, กะเนี่ยประมาณมีมืมดมืดฟ้าหมัวดินเลยแล้วก็ความทรมานความไร้นะแห้งแล้งความหิวตะตามมาเต็มเลยครับทำสาเหตุเพราะว่าด่านบีตําหนินบีไลนบีอยู่ท น, นบีออกตั้งจากนครมั ก, กะไปอยู่ที่ น, นครมดินนะวันนี้ก็เหมือนกันน่ะคนที่ด่านบีมีไหมมีครับ แม้แต่มุสลิมด้วยกันเองก็มือนกันการที่ไม่เอาสุนนะนบีมาใช้ในชีวิตประจำวันก็เป็นการดูถูกนบีเนี่ยนี่แต่ว่าทําไมเอาล้อไม่ลงโทษน่ะจะลอกันเล่าให้ฟังว่าวันนี้ประวิงเวลาเอาไวา้อย่ายะสุดท้ายของของของของของสุรเนี่ยอายะสุดท้ายเน่ะประวิงเวลาเอาไวา้ไม่รีบลงโทษเพราะนาบีขอดูอาโอร์อลอจ่าจอย่าเพิ่งลงโทษประชาชนที่ ขวางกุรอ่านขวางซุนนะแล้วก็ทําบาปทําชั่วกันเต็มไปหมดวันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งลงโทษขณะที่นบียังมีชีวิตอยู่ประการที่สองอย่าเพิ่งลงโทษพวกข่าวลอนั้นขณะที่คนกลุ่มหนึ่งกําลังกล่าวว่าอัสตักฟิรุลลอออัสตักฟิรุลลออหรืออธิบายว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินตะว่าที่กบาบะยู่ ถ้าคนเหล่านี้ยังเดินต่อ ว, ว่าอยู่แล้วขอนอาต่อรออยู่เนี่ยประวิงเวลามาให้อลัลลอ์รีบลงโทษคนที่อยู่บนโลกดุลยยาใบนี้ที่ทำอะไรผิดผิดเหมือนกับคนในยุคก่อนสบายใจั้ยขั้นเราเนี่อย่าผิดเยอะนักนะต่อมาครับวันนี้มีอายะห์ทยะที่ห้าสิบครับอายะสุดท้ายของอยุคสี่สิบเก้าเนี่ยดีมากสีก่บเกก็ยุกกอ่ อินนกันตลาซีรุกะรีมยุกเป็นแปว่าจงชิมมาถึงชิมการลงโทษหลังจากตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็ถูกโยนลงไปในนรกอโลชายภาษาเดียวยุกจงชิมการทรมานการลงโทษสาเหตุที่ต้องลงโทษ ในวันเตียมานี่นะอันตะอินนากะแท้จริงท่านนี่นะยกตัวเองว่าอาซีสเป็นผู้มีอำนาจอัลกอริมเป็นผู้มีคนที่ชอบคุยว่ากูแน่กูเก่งคนประเภทนี้เนี่ยคนมุสลิมที่คุยแบบนี้มีไม่ในโลกนี้ก็มีก็ขอให้เลิกให้หมดอะ อย่างคนท้ายก็เหมือนกันพอมีอำนาจหน่อยกูกูอะไรนะกูเก่งกูแน่กูนุ้นกูนี่ก็แค่มีเงินอลลอใหญ่ตู้หาเหรอไหมล่ะมีเงินเท่าไรไม่รู้ แ, แต่ซื้อคนนั้นได้ซื้อกูนี้ได้อนี้ถูกเพื่อนมันแฉจะเป็นไงอ่ะไปไม่รอดติดคุกอะ่ะใช่ไหเนี่ทุกตัวอย่างาง่ายๆนะแต่ที่อลเราเล่าเนี่ยมันนัาคนนี้ก็มีอันนี้แค่ซิมเพิลแค่ตัวอย่างให้เห็น ยกอันอินนั ก, กอันตลาซีดูลการจงชิมจงชิมสิแท้จริงเจ้าเนี่ยยกตัวเองว่าเป็นผู้มีเกียรติผู้มีอำนาจแล้วก็มีเกียรติยศมีเงินนี่แหละเพราะดุญยานี่มีค่าเสียรายการนี่นะหนึ่งเงินสองชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งเนี่ยสี่รายการนี่นัคนนี่ลืมมาล้อเลยนะ ไม่เอาอันล้อก็ได้แค่มีแค่เสียรายการนี่แหละมันเพลินละ่ะอร่อยนะหาเงินก็อร่อยหาชื่อเสียงเกียจเต็นทก็อร่อยทะเลาะ ก, กันก็อร่อยโอ้โหเนี่ยเนี่ยเอาล้อให้อะไรนะให้กับให้กับมนุษย์บนโลกดุงยาไปนี่ถ้าไม่อ่านกุูอ่านจะไม่รู้เลยว่าอะไรคือความวิบัติบนโลกดุงยาไปนี่นะครับต่อมาแยกที่ห้าสิบครับ อินนาฮาจมาคุนตุมบิฮตัมตรุอินนาฮมาคุนตุมบิฮิตัตารุอิน่ะแปว่าแท้จริงฮาานี่แหละนี่แหละมาคุนตุม ที่สู่เจ้าบีฮิกับมันหมายถึงวันสิ้นโลก ต, ตาตรูนพวกท่านทั้งหลายสงสัยต้องการจะอธิบายว่าันใครที่อยู่บนโลกดุนยาวันนี้วันนี้เนี่ยนะในใจของเขาสงสัยว่ามีโลกมีวันกิยมะหรือเปล่า ยังสงสัยอยู่มีหรือไม่มีไอ้คนที่มีปลอดภัยแต่คนไม่มีเนี่ยอัลลอฮ์ก็ยังเลี้ยงเอาไว้ช้ดคนที่สงสัยว่าจะมีวันกิยามะหรือเปล่าจะมีวันสิ้นโลกหรือเปล่าตายแล้วต้องฟื้นหรือเปล่าสงสัยมีไหมเยอะครับมุสลิมบางคนก็ยังพูดใช่ไหมถ้ามีวันอะไรนะถ้ามีวันชาติหน้าจริงอ่ามีวันกิยามะจริงค่อยเจอกัน พูดได้ยังไงอย่างมุสลิมอมุสลิมต้องพูดว่าฉันเชื่อแน่นอนว่าวันกิยามามีจริงครับอีมานกี่ข้อนะหกข้อใช่ไหมอามันตุบิลาาลาวะมัลาอิกติฮวะกุตบิฮวะรุูลิฮวยอมิลอาครวะบิลกดริคอยลิฮวะชริฮมินอัลลอฮิตาลาไอหกข้อนี้มันอยู่ในใจของผู้ศรัทธาต่อล l l a อยู่แล้วต้องนึกตลอดเวลานี่ข้อที่ห้านี่แหละที่อธิบายเนี่ย ตำตาูนที่สู่เจ้าสงสัยเกี่ยวกับอีมานข้อที่ห้าเจอหมดครับและคนชั่วๆวันเนี้ยที่ไม่อีมานต่อโลกอาคีราลว่ามีจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมอลัลลอฮ์ไม่รีบกทำลายก็นบีขอดูอาว่าอลัลลอ์จะจะเพิ่งลงโทษคนเหล่านี้แน่อลัลลอ์ก็รับดูอาใช่ไหมนะคนในยุคก่อนเนี่ยอลัลลอฮ์เล่นงานหมดแล้ว อย่างนาบีมูซาใช่ไหมมาสอนกีปก่ปีกี่ปีผลสุดท้ายวันล้อให้แผ่นดินสูบกอรูลงไปในดินเพราะอวดดีตะกาบุญเยอะยังแค่มีเงินอย่างเดียวอะ่ะฟาโร่ก็ไปไม่รอดเพราะมีอำนาจนาบีเลยสรุปชีวิตแบบว่าวมันเนีตามมาลาลสูลตานีใครที่มั่นไว้ใจในอำนาจของเขาที่มีอยู่ประกอบด้ละเขาหลงทางไปไม่รอดครับ ว่าวันนี้อาตามาจะอาลามารีใครที่ไว้วางใจหรือมั่นใจว่าเงินนี่ทําให้เขาอยู่บนโลกนี้แบบมีเกียรตินะตอนลลังเขาหลงท่านใครที่มั่นใจว่าที่เขาอยู่ได้ น, นะเพราะอัลลอฮ์อ่านึกถึงอัลลอฮ์องค์เดียวที่อัลลอฮ์ให้นะที่มานั่งกันในวันนี้เ น, นี่ยมัสยิดนี่อัลลอฮ์ให้มาครับที่แข็งแรงวันนี้พ Allah, เ, พเพราะอัลลอฮ์ให้อะเพราะเพราะอาราคตาที่เป็นความดีทั้งหมดเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดไอเรื่องชั่วเนี่ยทำเองนะ่ะ ไม่มาจากอัลลอฮ์เล่าให้ฟังอันี้ชั่วนะแต่เราก็ทํา อ, อัลลอฮ์ไม่ได้โดนจใจเราทำหรอกครับแต่เนื่องจากเราไม่ศรัทธาเองแต่เรื่องความดีที่มาจากอัลลอฮ์เราก็ต้องรู้ด้วยนะความสุขเนี่ยแข็งแรงเนี่ยเป็นริสกีชั่วคราลุทาวราวต้องนึกเป็นนะสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเป็นเป็นริสกีชั่วคราลุทาวราวชั่วครา เก็บไข้ได้ป่วยเป็นริสกีเหมือนกันแต่ชั่วคาโอกาสหายมีไหมมีและโอกาสตายก็มีด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นริสกีถาวรต้องนึกนำมาริสกีทาวร อ, อ่านคุณอ่านวันนี้เดี๋ยวนี้มีผลบุญไม่หมดอายุทำดีกับพ่อแม่ผลบุญไม่หมดอายุอย่างนี้เป็นต้นต้องเข้าใจเนี่ยพออ่านกุณอ่านต่อทําให้เราได้อิมานมันเพิ่มขึ้นแยกแยะระหว่างอะไรอะไรทาวร อ, อะไรไม่ทาวตรตตกลงว่า คนที่สงสัยในวันเกียร์ม้ามีจริงหรือไม่มีจริงตายแล้วฟื้นหรือไม่ฟืน้นนะครับการลงโทษหลังตายมีไหมยังสงสัยกันอยู่เลยนะคนคาเฟ่เนี่ยนะแม้แต่มุสลิมก็เหมืนกันยังสงสัยอยู่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนเอ้มันมาเองหรือว่าเราสร้างมายังสงสัยอยู่คนที่สงสัยตำตารูนสงสัยเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดวันนั้นเนี่ย ถูกลงโทษจากอัลลอ์แน่นอนต่อมาการประยะที่ห1สบออินนัลมุตตะกีนฟีมะกามินอามีอินนัลมุตตะกีนฟีมะกามินอามีอนอายะนี้ดีมากกับดูสัพนะจิลคมอินนะ่าแปบลบว่าแท้จริง มุตตะกีนสนีมม้เราได้ยินบ่อยใช่ไหมผู้ที่สำรวมตนจากความชั่วคนที่ปกป้องตัวเองไม่ทำความชั่วเรียกว่าคนมุตตะกีหรือคนมีตักวา่าคนมีตักวาเนี่ยในวันเกียรมะเนี่ยพูดถึงภาพในวันเกียรมาทั้งหมดนะฟีมะกอมอยู่ในสถานอยู่ในสถานอยู่ในที่อยู่ อามีนแปลว่าปลอดภัยหรือว่าสงบปลอดภัยสงบเนี่ยเราสัญญาเอาไว้ในัมภีร์อักุรอานให้นบี ม, มาสอนคนที่สำรวมตนจากความชั่วเพื่ออลัลลอฮ์นะอ่าต้อง อ, งอลัลลอฮ์ใส่เอาไว้รักกันเพื่ออลัลลอฮ์มามัสยิดเพื่ออลัลลอฮ์บริจาคเงินเพื่ออลัลลอฮ์ดูแลภรรยาเพื่ออลัลลอฮ์เอาใจพ่อแม่ เอาใจแม่เลี้ยงตัวเองเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดจะไม่ได้ทําเพื่อใครอะ่ะเพื่ออัลลอฮ์พอใจเอาเงินให้ภรรยาชายก็เพื่ออัลลอฮ์อบรมลูกเพื่ออัลลอฮ์เดินมามสัสยิดเพื่ออัลลอฮ์ตื่นตะฮาจุดเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดทําเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยนะคือเรียกว่ามุตตกีนฟีมาก็มินในวันเกียรมะเขาจะอยู่ในสถานที่ที่อาอามีนสถานที่อะไรนะ อันสงบหรือปลอดภัยก็คือสวนสวรรค์ผมนั่งเช็คกุรานนะคำว่าคนที่มีตักวานเนี่ยอลัลลอ์ให้บนโลกดุนยาใบนี้นะมีอะไรบ้างคนที่กลัวอลัลลอ์เนี่ยสํารวมตนต่ออลัลลอ์อยู่บนดุนยาใบนี้เนี่ยอลัลลอ์ให้ความสะดวกสบายง่ายไดอะไรบ้างมีอยู่หลายอายะแต่เล่าเฉพาะที่มีเวลาจำกัดนะนะ ว่าไม่ยัตติกินแลَหายَจัณฑะหูมาคราญยาใครที่สํารวมตนต่อความชั่วอัลลอฮจะให้ทางออกของชีวิตมองดูกูไปไม่รอดแน่งานนี้แต่พอถึงเวลากำหนดมีทางออกแงเห็นไหมสังเกตนะผมเนี่สังเกตตลอดโอ้ใช่อัลลอช่วยมาอันนี้อัลลอช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วเรื่องที่สอง ว่าไม่จตะกิ้งละอยู่กับฟิรานุซซ ย, ยาตีใครที่ปกป้องตัวเองไม่ทําบาปอัลลอฮฺจะอภัยโทษให้อันนี้เป็นเครื่องลับบองไม่เห็นอัลลอฮฺจะนะนะจะอภัยโทษให้ยกโทษให้บาปที่เรามีอยู่นี่แหละที่เคยทํามันไว้เมื่อสิบปียี่สิบปีที่แล้ววันนี้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไหมเป็นคนที่มีตักรากลัวอัลลอฮฺเพิ่มขึ้นอัลลอฮฺจะลบล้างความผิดในอดีตดีได้ไหมดีนี่ไง ข้อที่สามว่าไม่จตักิลล์ยาจัลลัหูมินอัมริฮิยุสรอใครที่หัวใจของเขาผูกพันกับ AH, อัลลอ์โยงกับอัลลอฮ์อัลล์จะให้งานของเขาที่ทำเนี่ยนะง่ายได้สังเกตสถ้าหัวใจเรายมกับอ AH ัลล์เยอะๆนะบริจาคก็ไม่กลัวจนวอาไปเอป ม, สอมส่สองมืแสนสองแสนเอไปดูขึ้นนมาแต่ยุด กลัวจะขึ้นไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวกำลังมันจะอ่อนแอมันได้นำมานไม่ครบแปชั่วโมงตามดียาฮูดีมันสอนนะรอห้าบั้งห้าชั่วโมงก็ได้มาต้องแปลตลอดเวลาหรอกแล้วเอามาชดชาตองกลางวันใช่ไหมไม่ได้นึกนึกกูต้องนอนแปชั่วโมงกูมอะไรเนี่ยถ้ากลัวตลอดเวลานะแต่ไม่กลัวหรอกจะตั้งใครที่ทำงานของอัลล์เนี่ยนะ เราจะให้ความง่ายดายสำเร็จแบบง่ายดายต้องกลัวารอกครับนี่อย่างเนี้ยมีลูกห้าคนยโฮดีมันคั่วมันเขียนในตำราบ อ, อกไงนะกว่าจะจบเป็นยาตรนะีประมาณเจ็ดแสนถึงล้านบาทพ่อแม่กับพออ่านข่าวรอแล้วกูจะเลี้ยงไหวแล้วเนี่ยล้านบาทจบเป็นยาตรี ถ้ามีสักห้าคนเนี่ยหัวห้าล้านแล้วกูจะเอาเงินจากไหนอ่ะและคุมกําเนิดเลยไงเออคนกำเนิดทําแท่งเออใช่ไหมนี่ทีนี้คนท่าอิมานต่ออัลลอฮ์นี่เนี่ยมันยังนั่งยังเปแถวเนี่ยสามสคนเนี่ยหัวใจโยนอัลลอฮ์ได้คือว่าเจ็ดคิดว่าล้านหนึ่งหรือเจ็ดแสนพอจะเงินค่อยๆมาค่อยๆคอย่คอยๆโฉมค่อยๆขออุทิไป มันเงินก็ค่อยมาค่อยมาไม่ใช่มาพูดเดียวที่ไหนล่ะค่อยๆมาค่อยๆหมดค่อยๆหาค่อยๆเหนื่อยค่อยๆขอดูเอาบริจาคไปอะไรไปธุรกิจมันก็ตามมาอย่างนี้เป็นต้น่ะเนี่ยพี่น้องข่าวเรื่องเนี่ต้องเอาไว้วางใจในอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เชื่อตามที่อัลลอฮ์สั่งด้วยอย่าใจร้อนอ่าผู้โดใจร้อนนิดหนึ่งคนที่ใจร้อนเนี่ยมาจากไซต์ตอนทั้งหมดเลยนะ ทำอะไรเร่งเร่ ง, เ ร, ง, เ, รงเร่งด่วนเนี่ยเอายังน้ำมานไวๆเนี่ยอลอดรับปล่าไม่รับขับขับรถเร็วๆเนี่ยโอกาสที่จะชนมีไหมมีสูงมากครับนบีเลยพูดแบบ ว, ว่าอาลาเจลาม่นาชัย่ปอนคำตันวนไม่มองสายมองข ว, า, งขวากูเดินเลยพวดเจอนไะงฉะนั้นที่รีบเร่งให้ทําได้มีอยู่ห้ารายการนี่นบีสอนเน่ยขอบคุณนะล่ะ จะเอาปัญญามาจากไหนหพวกเราว่ะทำให้ผ่านนบีความรู้ผ่านนบีหนึ่งมื่อแขกมาบ้านเนี่ยให้รีบจัดอาหารตอนรับแขก อ, อ๋ลวลากว่าในค่ายสอนในนบีสอนอะ่ะทาให้เรารู้ตัวเ อ, อการตอนรับแขกเป็นศาสนาเลยสองเวลามีคนตายเนี่ยให้รีบอะไรนะให้รีบจัดฝังมีคนโทรศัพท์ามาไล่ผมฟังเวลามะตายเนี่ย ไปวุ่นอยู่กับเชือดวัวไปวุ่นอยู่กับจะจะอะไรจะแกงอะไรอาหารอะไรเป็นห่วงคนที่มาเยี่ย ม, มแม่เราอะแต่ไม่ได้หว่วงว่าม่เราจะต้องฝังที่ไห้วาที่สุดเราไม่ได้คิดห่วงเรื่องคนเรื่องเชือ ด, เชอดน้นเชือดนี้ไปซื้อหอไปซื้อกระเทียมมาอัลลอฮฺปล่อยให้แม่นอนอยู่ในบนบนไปดูนเนี่ยท่านนาบี บ, บอกว่า เวลามะตายหรือญาติพี่น้องตายให้รีบจัดการไม่ใช่ห่วงคนเป็นคนเป็นนั่งมีหน้าที่ต้องเอาอาหารมาให้คนตายกินอย่างน้อยวันหนึ่งสองวันที่สุน่านะบีมีไคณะใหม่ อ, อย่าไปยุ่งกับแม่บุคคลใหม่ว่าฮะบีดมันดูไสอนเลยมันสักฉะนั้นเอาสุน่านะบีมาใช้ในชีวิตประจําวันนั่งกี้เป็นต้นนะครับเอาเรื่องที่สมนะครับเวลาลูกสาวโตแล้วเนี่ยให้นึก หาสามีที่ไหนแต่งงานกับลูกสาวเรานบีก็สอนวิธีเลือกนะเลือกลูกเขยนะเลือกก็่สองอย่างพอหนึ่งเลือกคนที่เข้าใจศาสนาวาคูลูก้าฮูแล้ว ก, ก, ก็มารยาทงามเทียบแต่งงานไปเลยแต่นี้เรามาใหม่นะต้องรวยก่อนใครสอนให้รวยก่อนเนี่ยที่เอารถทดสอบเล็กๆน้อยๆเนี่ยสอบไม่ผ่านแล้วอ่ะถามว่าราวยก่อนแต่ศาสนามไม่มีพังไม่พังอะ่ะ เลิกก็มา่กี่คู่แล้วล่ะรวยเต็มเลยไปน้องตะกลับบุตรเยอะหิงจ้องของอวน ด, ดีโอ้โหอักบัตอันนี้เล่าให้ฟังนะนี่เป็นข้อเตือนใจทั้งหมดต่อมาอีกเรื่องหนึ่งนะเครื่องเรื่องที่สี่เวลามีนี่เนี่ยให้รียบใช้เห็นไหมมีนี่ให้เรียบใช้นี่เป็นาศาสนาทั้งหมดเลยแล้วก็อลัลลอฮ์จะใครที่มีนี่แล้วก็ใจมันนึกอลัลลอฮ์จะฉันต้องการจะใช้นี่ที่มีอยู่เนี่ยให้ไวที่สุดอลัลลอฮ์จะช่วยอ แต่ไม่ได้ขอกูหลบไปก็หลบมามีหนี้เท่าไรกูดึงดึงนี่เอาไว้ซาเลมมัสลิมเป็นคนชั่วนี่นบีพูดอย่างนี้เลยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเรื่องเรื่องสุดท้ายทำอะไรผิดให้รีบเตาบ้าอย่าดองนำมักปาเชงดองไปเลยแปดีเก้าปีสิบปียิ่งดองยิ่งอร่อยอ่ะแต่เตาบ้า น, นี่ดองไม่ได้ทำอะไรผิดต้องรีบเตาบ้าตัวต่ออัลลอ์เลยนะครับอต่อมาครับ คนมีตักวันเนี่ยได้อะไรบ้างคนที่มีตะวันเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งกับดอกเบี้ยอ่านี่ประโยชน์ดีใช่ไหมคนที่มีตักวันตลอดเนี่ยเขาจะไม่ตายเขาจะต้องเรียนศาสนาก่อนจนกว่าเขาจะตายจะอยู่เฉยๆไม่เรียนเนี่ยไม่ได้คนมีตะวันเนี่ยแสดงคนที่เรียนศาสนาฟังตัปซีนเนี่ยนะหรืออ่านฮะดีษเนี่ยคนนี้เป็นคนที่มีตักวา ให้อภัยคนคนนี้คนที่มีตั ก, กว่าสงสารพ่อสงสารแม่สงสารภรรยาเอาเงินให้ภรรยาชายคนที่มีตั ก, กว่าไม่ด่าลูกไม่ตบหน้าลูกคนนี้เป็นคนที่มีตั ก, กว่าต่อมาครับแล้วอเล็กก็กล่าวอีกว่าคนที่มีตั ก, กว่าเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเห็น ไ, ไหมแต่คนที่มีตักว่ายิ่งกว่าฉลาดก็คือได้เข้าสวรรค์ เนี่ยเร า, าชมชมชมชมคนกาแฟด้วยนะใครที่คิดอะไรโบนโลกโบนโลกดุจยาไปนี้อลัลลอฮ์ให้โบนโลกแค่ได้เป็นคนฉลาดอย่างเดียวอูลุลอัลบาไบรท์อ่าคนนี้สมองแจ้วตัวอัลไซเมอร์ไม่มีแต่ไม่ได้เข้าสวรรค์ของอลัลลอฮ์โอ้โหทันี้นอลัลลอฮ์ก็สั่งอีกนะครับสบาอย่างที่ดีที่สุดอย่างเนี้ยอย่างจะไปทำฮายีเนี่ยเรา ตเตรียมสเสบียงกันใช่ไหมคำว่าตู้อะไรตเตรียมตเตรียมสาโรใช่ ม, มไหมมีกระเป๋าใช่ไหมสมัยก่อนโอโลมีบุดุงบูดูใส่หีบกันไปสมัยโต๊ะโต๊ะแช่แช่เราเห็นภาพเลยนะเดี๋ยวนี้เขาก็จํากัดหนึ่ยี่สิบกิโลโอโห้้ยก็จะพาอะไรไปวะฉะนั้นเรื่องสเสบียงไปทำพายีไม่ต้องห่วงสเสบียงที่สําคัญที่สุดก็คือตักวาเรียนไปก่อน ทำหัวใจให้สะอาดต่ออัลลอฮ์ทำยังไงนั่นคือสเบียงที่ดีที่สุดถ้าพวกว่าสเบียงคิดถึงหม้อไหาอาหารโอโลบูดูทอดบูดูปิ้งปลารนุปบะคงประเขมพากันไปมากา้าพี่น้องอันนั้นก็แคบเล็กๆน่นะแต่ปัจจัยที่ยิ่งใหญ่คือทำใจให้เราเนี่ยรักอัลลอฮ์ทำยังไงเดินตะว่าทำไงไม่ให้ตาคนใช่ไหม สงสารคนเมตตาคนตัวอาบทไหนที่คุณจะต้องท่องท่านเป็นสเบียงที่ยิ่งใหญ่กับไม่ให้ความสนใจไปสนใจไอ้เรื่องบูดูทอดปละเข็มทอดไปอยู่กี่วันนึกก่อนโหอัลลอฮฺอักบารก็ก็ได้มาระดับหนึ่งก็แล้วก็ค่อยๆสอนกันต่อไปนะครับตัวเรื่กว่าตะวานี่ประโยชน์มีไหมมีเยอะครับต่อมากับอพระยาที่52คนที่มีตะวานี่จะอยู่ได้นะ อินนัลมุตตกีนาฟีมะกวมินอามีนแท้จริงบรรดาผู้สังรวมตวนจากความชั่วเนนะจะอยู่ในสถานที่อันสงบแล้วก็ปลอดภัยคือนั่นะคือสวรรค์ฟีจานาติวะยูนในสวรรค์ยมันมีสวรรค์เยอะ มีสวนต่างๆเยอะน่าอยู่น่าอาศัยแล้วก็มีอายุนมีตานา้ำโอษสวรรค์นี่อธิบายไม่ถูกเพราะว่านบีพูดว่าตาคุณไม่เคยเห็นมือคุณไม่เคยสัมผัสใจคุณไม่เคยนึกมาก่อนว่าชื่อเหมือนกับกับบนดุญยาแต่สัมผัสจริงๆแล้วไม่ใช่ภรรยาเนี่ยภรรยาเราที่อยู่บนโลกดุญยาไปนี่เนี่ย พอเข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยสวยกว่าผู้หญิงในสวรรค์ทั้งหมดสวยกว่าฮูลูนเอ็นนะแล้วก็มีคนถามนาบีว่าทำไมพระยาที่ไปจากโลกดุนยานี่ไปอยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งนะต้องผ่านการแต่งงานนะมันจะฟื้นมาแล้วอยู่เลยนะต้องผ่านการแต่งงานก่อนเพราะอะไรครับเพราะร่องรอยของการอาบน้ำนามาด ร่องรอยของการถือศีลอดกับอ่านอัลกุรอานซิกรุลลอฮ์อยู่เป็นประจำนี่แหละทำให้ most beautiful สวยที่สุดไอ้ไปคว้าภรรยาที่นอมันไม่เป็นมีเปล่าไก็ต้องนึกอ่ะนะมันต้องนึกอะ่ะเอาซะเพราฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจแต่งงานก็ต้องมองซ้ายมองขวาเหมือ น, นแบบข้ามถ น, นนน่ะนะไอะ้รถหมาเปล่าต้องนึกนึกยาวๆหน่อย แต่ไม่แต่งงานก็ไม่ดีไม่รู้รถวัน ด, ดุนยาคืออะไรความรับผิดชอบคืออะไรถ้าไม่แต่งงานนี่นะไม่รู้นะว่ารับผิดชอบนันเหนื่อยแค่ไหนและขออนุญาให้ภรรยาให้ลูกเหนื่อยแค่ไหนและปลูกให้ลูกนมาเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนถ้าไม่ผ่านการแต่งงานไม่รู้พอผ่านมาแล้วออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วงานหลายหลายอย่างเราทำไม่สำเร็จด้วยความสามารถของเราต้องอาศัยใครอัลลอ ต้องอาศัยอรลรห์ถึงจะสำเร็จอย่าคิดว่ากูแน่กูเนี่ยแน่อย่าอย่านะครับอต่อมาครับเนี่ยอลรรห์เล่าภาพในสวนสวรรค์ชุดแต่งกายในสวนสวรรค์ห้าสิบสามยัลบาสูนะมินซุนดุสวอวสตบรอกิมมุตะคบิลีน ยัลบาซูนะมินซุนดุสว่อิสตบรกิมุตกอบิลินอันนี้เ์็นภาราที่ละคำดีมากนะยัลบาซูนแล้ ว, ว่าพวกเขาสวมสวมใส่เนี่ยเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นี่นะอย่าลืมว่าบนดุนยาไปนี่เราสอนอย่างนี้นะของของเราจริงๆมีแค่สามรายการเราจะคุยว่าอันนี้ บ้านชั้นบ้านชาวชั้นอันนี้ที่ดินชั้ น, นสวนทุเรียนชั้นอันนี้สวนอะไระสวนลองกองลองกองอะไรก็คุยไปเถอะแต่ของท่านจริงๆมีแค่สมรายการหนึ่งอักัสร์สิ่งที่ท่านกินก็ไปแล้วถ่ายย่อยไปเป็นของท่านสองดาบิสตาสิ่งที่ท่านสวมใส่แล้วก็เก่าขาดไปเป็นของท่านตาสดดัฟต์ที่ท่านบริจาคเพื่ออัลลอฮ์นะเป็นของท่านครับ นอกนั้นไม่ใช่อ่ ะ, อะมีสักพันล้านน่ะลองตายอยู่สิเป็นของใคร <c oughs> รู้เลยโอ้ใช่เลยเนี่ยเป็นของคนอื่นหมดอะถ้าลูกดีก็กอดอให้พ่อถ้าลูกไม่ดีด่าอีกทาไมทิ้งไว้พันล้านลูกมีสี่คนแบ่งอีกโอ้หน่าน้าจะหามาสักสี่พันล้านมาต่อส บ, บานี่พ่อเนี่ยไม่เข้ามากระทาอะไรไหมนี่ถ้ามีศาสนานี่เนี่ยกระทำด้วยละถ้าศาสนานไม่มี ที่งไว้พานล้านมันก็ไม่พ อ, อ, อ น, นังนก็เป็นต้นตัวงว่าชุดในสวนสวรรค์อาราจ่าให้นะมาตองไปตัดเองนะยันบาซูลพวกเขาจะสวมมินซุนดุซุนดุตแปลว่าผ้าไหมที่ละเอียดบนดุนยาเบนี้ผู้ชายห้ามใช้ผ้าไหมแต่ผู้หญิงใช้ได้แต่ผู้ชายในสวนสวรรค์จะใช้ผ้าไหมและผ้าไหมอธิบายเลยนะ ซุนดุสผ้าไหมละเอียดอัมปอาพรทําด้วยผ้าไหมคุณละเอียดไซเลมันนี่มแหม่เราต้องซักไหมไม่ต้องเก่าวไหมไม่มีคํ า, าว่าเก่าวคันไหมเรื่องคันไม่มีครับเอาตัวมาครับว่าอิสตา บ, บรอกไมปักอย่างหนาอย่างละเอียดมีปักอย่างหนามีอรรถเลือก เ, เอาอ่าแล้วก็ เวลานั่งอยู่ในสารสวรรค์เนี่ยนั่งกันแบบนี้หรือไม่ใช่มุตะกอบิลีนั่งเข้าหางเอาหน้าชนกันอแล้วก็บ่านี่นึกภาพในสวรรค์เนี่ยเราจัดให้เนี่ยเล่าให้ฟังก่อนนั่งในสวนสวรรค์เนี่ยมูตะกอบิลีนั่งแบบเอาหน้าชนกันเรารักกันใหม่ๆกับผู้หญิงใช่ไหมโอ้โหนั่งชนกันใกล้กันมันอร่อยจริงๆ คนที่สองเดินผ่านมาเนี่ยมาทำไ ม, มกูจะคุยกันเนี่ยในวันกียามมาอาลัลลอฮฺจะจัดให้ทั้งหมดเลยครับตัวองว่านั่งเข้าหากันเอาหน้าเข้าหากันสมัยนี้มองหน้ากันได้ที่ไหนเดี๋ยวมีเรื่องใช่ไหมเด็กนมนมเนี่ยมองหน้าเดี๋ยิงแล้วมาอย่างนี้เป็นตน้นแต่ในคุรานเล่าให้ฟังนะสวม เสื้อผ้าที่ทํามาจากไหมไหมละเอียดแล้วก็ไหมที่ปักหนาหนารวมไปถึงนั่งคุยกันหันหน้าเข้าหากันเรื่องโกรธการโมโหกันไม่มีครับเพราะอัลลอฮฺถอดออกจากหัวใจวันนี้อัลลอฮฺแปะเอาไว้นะความโกรธความหึงความขี่เหนียวความตนันนิแปะไว้นี้เดียวในหัวใจโอ้โหที่ให้เอาไว้ในใจเนี่ยเพื่อเอามาเหยียบ เอาอิมานมาคุมกำน้ำมอามาใช้ทำให้ปัญหาเต็มไปหมดเลยบนโลกโดวยาไปนี่ก็นั่งแก้กันสิอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราพยายามพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองเอาเรียนอิมานเยอะๆความขี้เหนียวมันก็จะค่อยๆหายไปการให้อภัยมันก็จะตามมาสงสารเมตตาก็จะตามมาแบบน บ, บีมุฮัมมัดนะใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับคือในในสวรรค์นี่มีแม่น้ำด้วยนะ มีใข่มุกด้วยมีกําไรมือกำไรมีผู้ชายคนว่าฉันไม่ชอบกําไรเขาไม่ได้ว่าคุณใส่ในวันในส่วนมันมีกําไรให้คุณใส่มันอรรถจัตให้อลรดีหมดบนดุนยาไม่อลรถห้ามนะอย่าใส่อย่าใส่อย่าใส่ดันใส่กันใช่ไหมในวันเกียไม่อรรถอ้าใส่ใส่บางคนถีบว่าฉันไม่ชอบเอาหรือของเอง อ่ต่อมาับญาที่เห่นะในภาษาอุดูอธิบายดีนะอัลญนากลิบาสกบปุรานาฮฮูกะในภาษาอุตุนะชาวสวสรรค์เสื้อผ้าของเขาไม่เก่าไม่เก่าอัลลอฮ์ดีมากลฮัมดุลิลลแล้วก็อธิบายอย่างนี้อีกนะครับลิกุลลิรจุลินจ้จตานี่ ผู้ชายทุกผู้ชายทุกคนที่เข้าสวรรค์มีภรรยาสองคนจากดุนยานะไอ้ทำไมผู้หญิงเยอะว่าผู้หญิงบนดวนุ่ยามันเนี่ยมากกับผู้ชายใช่ไมและไม่ได้แต่งงานเต็มเลยนะอยู่กันนะแต่ผู้ชายจะแต่งงานคนที่สองก็ต้องต้องขออนุญาตภรรยาคนแรกหรือมีใครให้ไหมล่ะก็นี่ 8, แปะแอ๋เอาไว้ดีเล็กน้อ แตะนะมาได้ปัะคับนะเล่าให้ฟังนะครับอย่างนาบีอมุฮามัดนี่มีมีระยาแล้วมีเฟรนอนชื่อนางอาซียานะโดนม่แต่งกับใครแต่งกับท่านนาบีนบีเล่าให้อื่นคนอืนยาฟังนี่อั e, ลลอฮฺว่าให้ลงมาบอกว่านางอาซยาเป็นพระยาของฟฟรนอุลเป็นชาวนรกและนามเป็นชาวสวรรค์นนะแต่งกับใครอ่ะแต่งกับนบีมอดุลลอฮสัลลัมแต่ผู้ชา ท, ทั่วไปดีมีพระยาสองคน ชุดเสื้อผ้ากุลีซอจตินซาบาาะุนฮุลละพญาแต่ละคนแต่ละคนมีชุดเสื้อผ้าประมาณเจ็ดสิบชุดเอาไปเลยทีนี้ไอชุดเสื้อผ้าบนโลกดุนยาไปนี้เนี่ยมันเกินเจนะ็ดสิบะพวกเราเป็นร้อยพอเปิดประตูตดเปิดตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวเสื้อผ้าเต็มเลยใช่ไหมนบีสอนอย่างนี้ครับ เสื้อผ้าของของเราวันนี้กังภรรยาเราก็ดีของตัวเราเองก็ดีเนี่ยถ้าไม่ภาพถ้าแขวนเอาไว้เนี่ยชยตอนมันชอบอยู่ถ้าปล่อยอย่างนี้นะแขวนแขวนแขว น, ขวนในตู้เต็มไปหมดใะ้ชดอนอยู่ในตู้เต็มเลยครับวิธีไล่เชตอนอินดามิสอนนะครับให้เปิดตู้แล้วก็อ่านอะไรอ า, อายกายกุ Allahu ล a ilaha illahu al-hayy a لا, لا, لا تأخذه سنة ولا نوم لهما في السماء ولهما في الأرض อันให้จบที่น บ, บีสอในขนาดนี้นะั่นด้วยความเป็นห่วงมนุษย์ลราส่งน บ, บีมาส่วนเรียดเสื้อผ้าเราอยู่ในตู้เยอะๆอยู่ไว้ทำอะไรมันน่ามันน่าจะกำหนดจะมีต้องการสิบชุด ได้ชุดสิบเอ็ดมาชุดที่หนึ่งตรงบริจาคคนยากคนจนเต็มไปหมดไงเซอร์เคิลแทนเนี่ยใส่เสื้อผ้าแขวนเต็มไปเลยในไะถูกด้วยเราก็บริจาคยังไม่ต้องไปขายบริจาคไ้บริจาคไว้ไะนั้นมีเสื้อผ้านในตู้เยอะๆส่วนใหญ่คนๆไม่รู้นะส้ตอนเต็มบ้านเลยนะเส้ตอนอยู่ในซ่วมเสื้อตอนอยู่ในอย่างบ้านเรามีมันมีที่นอนสาหรับ พ่อสำหรับแม่สําหรับลูกสําหรับแขกแล้วก็สําหรับชายตอนนะทํามีเอาไว้หลายห้องมีที่นอนหลายอันนะน บ, บีจะถามว่าให้พับซะให้พับซะอย่าทิ้งเอาไว้ชายตอนนั้นมาเล่นนะ่ะมานอนฉะนั้นนี่มารยายของคนที่เป็นมุสลิมต้องเรียนศาสนาตลอดเวลานะถึงลงว่าเสื้อผ้าในตู้เราเยอะไหม บางคนก็มีแค่สิบสิบสิบชุดก็เยอะแล้วนะทีนี้ถ้ามันมากกว่านี้ทำไงอ่ะ น, นี่เจ็ดสิบชุดนะ่ะยห็นมัซสบาวนะฮุ่นละเจ็ดสิบชุดให้การผู้หญิงชาวสวรรค์ไม่ต้องไปห่วงเสยตอนสองไม่ได้เข้าสวรรค์ครับอยู่ข้างนอกหมดเลยเอาต่อมาครับอายาเท่าไหร่นะอายาที่ห้าสิบสี่ กล ذلك ว่าจะว่จนะหุมบิพูร์นไงอันเดี๋ยวผมอธิบายมาก่อนก็ ذلك ว่าจะว่จนะหุมบิพูร์นไงก็ได้ไม่ทํานองเดียวกันหรือเช่นนั้นแหละเป็นเช่นนั้นแหละคนที่อยู่ในสวรรค์นี่นะรักัวเงานะ เราวจนะเราจะให้พวกเขานั้นมีคู่ครองกัวจะเหงาจัดให้มีคู่ครองอัลลอฮฺอัลลออธิบายไปแล้วว่าคู่ครองจากโลกดุนยาเนี่ยกี่คนสองคนแล้วก็คู่ครองที่ฮวรุนไนเนี่ยกี่คนก็ได้เอาเปล่า พ่อไม่มีคำว่านอนกลางคืนไม่มีในสวนสวรรค์เรื่องนอนไม่มีครับเรื่องเข้าห้องน้ำไม่มีเรื่องอะไรนะขี้ตาไม่มีเรื่องเงือไม่มีแนะครับล้วก็ฉี่ไม่มีอ่ะแล้วไปไหนกะกินมีคนถางมีกินกนองกินน้ำจะไปไหนมันออกมาเป็นเงือเหมือนกันแต่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นน้ำหอมมีเงือออกมาจะเป็นน้ำหอมนะ่ะ อลอหอไม่หมดเลยนี่ภาพในสวรรค์เล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆเพื่ออยากจะเข้าอัางกฤษเป็นต้นนะครับตกลงว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยนี่ภรรยากี่คนสองคนจากโลกดุนยาใบนี้แล้วก็ผู้หญิงในสวนสวรรค์อีกคำว่าเฮารุไนนเฮอรุนแปลว่ากลมไม่กลมอานบวาตาผู้หญิงที่ บ e a u t i f u l แต่สวยนะสู้ภรรยาเราไม่ได้ภรรยาเราจะจากที่ไปาจากประเทศไทยที่ไปาจากจะโลกดุนยาไปเนี่ยสวยกว่าเพราะอะไรเพราะอ่านคุณอ่านอาบนำนำมาซิกุลล์ถือสินอดอโลเนี่ยแล้วก็ไม่ด่าสามีต้องมีด้วยนะ <c oughs> ไม่บ่นสามีเยอะเนี่ก็คือนี่นาเป็นชาวสวรรค์จะได้อยู่กับสามีอีกครั้งหนึ่งมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งถามนาบีว่า ฉันมีสามีหลายคนถ้าฉันเข้าสวารรค์แล้วสามีก็เข้าสวารรค์กันหมดฉันจะอยู่กับใครนบีก็ตอบคือบอกว่าให้เธอเลือกก็จะเลือกคนที่มีมารยาทงามที่สุดตายไปแล้วฟื้นขึ้นมายังจะจําของเก่าได้หมดเลยนะเนี่ยเราให้นะ อยู่บนดุงยานี่สี่สิปีห้าสิปีมีพยาต่างหรือว่าพยามีผัวตั้งห้าคนทุกตัวอย่างนะแล้วตายไปแล้วฟื้นมามันน่าจะลืมของมเก่านะจำแม่นเลยสามีคนนี้เตะเก่งเอ้ยคนนี้โอ้โหเงินไม่เคยให้เลยต้องขอไอ้คนนี้โอ้โหบกนไม่ก็เลือกคนที่มีมารยาทงามแต่งงานอีกครั้งหนึ่ง แต่พญานบีมีคนชั้นเลือกชายคนนี้แต่งงานเพราะเป็นคนที่มารยาทงามบนดุลย์าและมารยาทงามในโลกอาคีรอประชีมมัที่นบีแล้วอัลลอฮ์ให้ผู้หญิงเลือกในอาคีรอแต่บนดุลยาเป็นนี้อลัลลอฮ์ให้ผู้ชายเลือกผู้หญิงแต่ความจริงผู้หญิงเลือกผู้ชายแต่งงานได้ไหมได้อ้าบุคคลตัวอย่างท่านหญิงกริยาเนี่ยเลือกนาบีใช่หรือไม่ใช่แต่งงานใช่ไหม นั่นนบีทาเป็นอย่างไว้ทําเป็นแบบอย่างแต่เราเนี่ยชาวบ้านเราไม่ทํากันนะให้ผู้ชายเนี่ยไปไปไปสู่ขอความจริงผู้หญิงเสนอตัวก่อนได้ไหมได้แต่มันก็มีวิธีอนะไม่ใช่เอ้กูขอแต่งงานกับมึงไหมไม่ใช่ส่งตัวแทนอไปไปนั่งคุยทัานนี้มีผู้สาบานันนี้หน้าตาดีอะไรดีใช่ไหมหรือว่าผู้ชายบานันนี้หน้าตาดีอักรากดีนิสัยดี เอาไหมอะไรเงี asa, Store, ้ยมันก็ต้องมีวิธีใช่ไหมะผู้หญิงขอผู้ชายได้ไหมได้อย่างนี้พุตโธเอาต่อมาครับ55ซิบยาดูนฟิฮะบิคุลิฟะกิฮ an ัดินอามนนยาดูนฟิฮะ บิคุลิฟากิฮัตินอามีนอัลลอฮุะลลอฮิบัรอายาที่55นี่ดีมากนะครับพี่น้องอั ม, มาใช้บุนดุยาก่อนก็ได้นะอะไรบ้างรู้ไม่ยาดอูนพวกเขาเรียกขอเรียกลุงไหมขออะไรครับฟากิฮ่าผลไม้ นี่อลัลลอฮ์ให้ฟังคนในสวนสวรรค์อยากกินผลไม้ผลไม้นําหน้านะฉะนั้นกินผลไม้กับกินของหนักเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันเพื่อเพื่อเพื่ อ, อ, อสุขภาพตามคุณอ่านนะอัลลอฮ์ไล่ฟังเองพวกเขาจะเรียกเอาในสวนสวรรค์ซึ่งผลไม้เอามาใช้ก่อนบุญญาก่อนได้ไหมได้กินผลไม้เยอะเยอะอยากกิน จะกินเนื้อเยอะกินผลไม้เยอะๆละ่ะสุขภาพจะแข็งแรงในกุรานอย่างน้อยมีสามอายันับว่าฟ้ากิฮะตมิมมิมมายาตะคอยยารูนพอเข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยมีผลไม้เนี่ยวางเต็มไปหมดเลยเลือกเอาจะกินชนิดไหนวะละมีไทร ม, มิมมาย่ชตะฮูแล้วก็นเนื้อนกที่ท่านปรารถนา วาเขาูรูนายแล้วก็หญิงชาวสวรรค์ลาอยู่สดดาวน์กินแล้วผลไม้แล้วไม่คำไม่มีคำว่าปวดหัวท้องเสียไม่มีครับเียวเราเล่าให้ฟังกันก่อนเข้าสวรรค์นี่เล่าบนบุญญาไปนี้เลย น, นกัฟีกรุรอานตกลงว่าเพื่อสุขภาพเอากรุรอานอายาเนี้มาใช้กินผลไม้เยอะๆ นักวิทยาศาสตร์หมอก็แ น, นะนาอย่า ก, กินเนื้อเยอะอย่า ก, กินของหนักเยอะกินผลไม้ก่อนแล้วกะท็ทา น, นนะทานไดนะเนื้อนกเดือดเนื้อเนื้ออะไรพวกเนี้กับข้าวเนี่ยนะทานให้น้อยๆนะกินผลไม้นำหน้าและสุขภาพโฮอร์โมนผู้หญิงชาวสวรรค์ตามมาเนี่ยธรร ม, มชาติบนโลกดุลยาก่อนดีได้ไม่ดีแต่ผมก็ผลสังเกตมุปปตัวเก้าเนี่ย ผมก็เดินตามกุรนานทานบรไม้ทุกครั้งนะก่อนจะทานอาหารเช้ากล้วยสักลูกหนึ่งกลางวันกล้วยอีกลูกหนึ่งตอนเย็นกล้วยอีกลูกหนึ่งก็ตามค่าสามสิบคำทำตัวเองละแล้วก็ดีหมดเลยเนะี่ยโรคภัยใครเจ็บมันก็มามาเยือนแต่อยู่กับเราไม่นานหรอกมาวันสองวันมันก็ไปอย่างโควิดมาห้าวัน อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ต้องขอดูอา่ายนะอัลลอฮฺไม่เนียอูซูบิกามินัลบาตรอสีวลจุนูเน่วลจูซามบะมินไซยิลอัลกออคอให้สุขภาพดีต้องขอด้วยนะเอเลจาจะแข็งสุขภาพแข็งแรงเนี่ยอะไรจะได้มามัสยิดจะได้อ่านอัลกุรอานจะได้ควาทำความดีลุกขึ้นนมาต่ฮัจยุดอย่างนี้เป็นต้นนะเอาต่อมาครับในสวรรค์นเนี่ยที่กินอาหารเนี่ยกินเพราะหิวจะไม่ใช่ กินเพราะอยากจะชิมก็จะว่าวแคสอยากจะชิมเอวางอยู่เนี่ยอยากกินแล้วก็ไปกินสักคำหนึ่งไม่ใช่เพราะหิวนะกินเพราะอยากจะชิมว่ารสชาติมันเป็นยังไงเหมือนกับโลกดุนยาไม่อย่างงี้เป็นตน้นเนี่ยอุลมามะอธิบายอนนานบีอธิบายไปหมดเลยเอาต่อมาครับอายาที่56าสิบลายซูกู ในนี้จะมีการพิจารณาถึงการกระทำทีดีลรับ พเรื่องความตายบนโลกดุญญนยาใบนี้ถามพี่น้องตายกี่ครั้งบนดุญญนยาใบนี้ตายสองครั้งหนึ่งตอนที่เราเราสร้างวิญญาณออกมาก่อนนั่นเรียกว่าตายวันนี้เรามาอยู่บนโลกดุญญนยาใบนี้เขาเรียกว่าเกิดครั้งแรกเดี๋ยวต่อไปอยู่ใบตายนั่นก็เรียกว่าตายครั้งที่สอง แล้วก็เกิดมาอีกทีหนึ่งในโลกอาคีรตัวลวงว่ามนุษย์เนี่ยตายสองครั้งเกิดสองครั้งแต่พอเข้าสวรรค์แล้วมีคาว่าตายอีกไหมคำตอบลายจูกูนทั่วเขาไม่ลิมฟีหาในสวรรค์อันมาทความตายเขาจะไม่ลิมความตายอยู่ไปตลอดเลยถามว่าอายุเท่าไหร่มีคนถาม ทราเท่ากับอายุของนบีอิซาที่ถูกยกไปบนชัน้าแล้วก็ความสูงเท่ากับนบีอาดัมหกสิบสองสูงสงาความลอเหมือนใครเหมือนนบียูซุฟอะลัยฮิสลามมารยาทงามแบบใครแบบนบีมหฮัมมัดสุลตลองอะิดซาลามภาษาพูด สวิต ท, ทังเนี่ยผู้จ่าไพรมากแบบนบีดาวูดอะไรยสธรมตัวลงว่าอัลลอฮ์เอาสิฟั์ของบรรดา น, นาบีหกหนบีหรือห้านบีเอาไปไว้ในสวรรค์ให้คนชาวสวรรค์ได้หน้าตาหล่อทุกคนทุกคนเลยเคไม่ ม, มีไม่ต้องใสเว่นตาแล้วไม่ต้องไม่ต้องตาตรงตาต้อไม่มีครับไอต้อมีบุญญานี้ให้หมอหางเงินอย่่เป็นต้นนะครับ ลายะูกูนฟีฮัลเมาต์ในสวรรค์พวกเขาจะไม่ลิ้มความตายอิลลเมาต์ตัลูลาตตลอลนอกจากความตายครั้งเดียวบนโลกดุนยานี้แหละเนี่ยสบายใจไหมีตายบนโลกดุญญนยาใบนี้ในวันเกียรมากไม่ตายแล้วอยู่ไปตลอดเลยหรือว่ากลัวเบือ่อไม่เบื่อพี่น้อง ร อ, อว่าที่เล่าให้ฟังทำดูแลวาโกฮุมว า, วากวากไปว่าช่วยให้พนห้นเออให้ปลอดภัยอาลาบการลงโทษอัลยาหมที่ลุกจ้าอยู่ในสวรรค์เรื่องทุกข์ไม่มีเรื่องปวดท้องไม่มีปวดหัวไม่มีปวดฟันไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีอะไรเลยมีแต่เฟรชขึ้นเฟรชขึ้นรอขึ้นสวยขึ้นแข็งขึ้นอะไรขึ้น ไม่มีคำว่ า, านอนด้วยโอ้โหแล้วทำอย่าลาข้าของนางก็ไม่มีด้วยมาได้ยังไงอ่ะนี่คือความสำเร็จที่อัลลอฮ์ให้กับมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นที่อยู่บนโลกโดุรยาบนี้ต่อมาอายาที่เท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดฟาดุลัมมิ ร, รับบิกザลิกฮุัลฟาวูซุลอาลี ฟาดลมิรั บ, บิค ذلك هو الفوز ا ل م ا ي มันจเล่าให้ฟังทั้งหมดนี่นะอยู่ในสวรรค์เป็นยั ง, งนงยั ง, งนงยังไงยังไนมีภรรยาสองคนมีฮูลุนเอ็นกี่คนก็ได้แตฮูลุนเอ็นี่มีทุมมันรเจ็สิชุดเสื้อผ้าออลลี่น้องครับทั้งหมดนั่นนี่เล่ามาฟาดตลนันเป็นความโปรดปรานรอให้มิ บ, บ จากพระผู้อาภิบาลของท่านที่อดหลับอดนอนลูกขึ้นนำมาตระหดยุทเอารางวัล น, นี้ไปมีภรรยาต้องลีดูแลภรรยาต้องอดทนเถียงกับภรรยาสามีนิ่งก่อนทั้งทั้ในใจอยากจะนิ่งเลยนี่อลัลลอสากอานิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งเอาเงินให้ภรรยาใชา้อะไปอะไปอะไม่เคยเถียงกับพ่อแม่เลยทั้งใจอยากจะเถียงอะ อ, อารางวัลไป ที่ทำความดีตามอัลลอ์และรูปแบบตามนาบีเอารางวัลฟาดอลันนี่เป็นความโปรดปานจากพระผู้อภิบาลของท่านสวายใจไหมฮัมดูลิละขอบคุณอัลลอ์ฉะนั้นที่เราอดทนไม่ทำบาวนี้มีรางวัลที่รูกขึ้นนมาทหาจยุดธมีรางวัลไหมมีครับที่ท่านนาบีอดทนถูกขว้างถูกดา่าถูกไล่จากเมืองต่ออิฟรางวัลมีไหมมีครับ เราที่เหยียบน้ำเนี่ยเดินชนรอดสนกวารรอดเยอะใช่ไล่ะเจ็บนู้นเจ็บนี่ใส่รองเท้าเนี่ยผมเนอะไรอะเตะตรงนี้เลือดไหลแล้วก็นึกอดทนไม่บน่นรางวัลรถจัดให้อะอะไรก็ทำที่เราได้รับมูซีบ้าบนดุนยยาใบนี้เราไม่บน่น แต่ก็รั ก, รกษาขอรัวอัอลลอฮฺจะมอบรางวาัลให้เึ่องมุสิบัต ท, ทั้งหมดที่เราได้รับบนโลกบาใแบบนี้เราไปทําอุลรอกกันไหมการ น, นะในที่บอกว่าอย่าไปบ่นนะเวลาไปอยู่ที่นครมาดินาะร้อนไปฝนตกมั่งน้าท่วมบางห้ามบน่นเพราะเราติด น, นิสัยบ่นจากประเทศไทยไปยช่ไหนะไปอยู่ท้องกบบ่นมาอย่าบน่นถ้าเองบ่นเยอะๆนะชฟะฟาจากอาลัลลอฮฺไม่มีครับ เนี่ยสอนให้มีมารยาทที่งนุงดงามอย่าเป็นคนที่บน่นบ่นเกง่งสบัดอดทนบ้างก็ได้หรอวบัรให้เขาด่าเรานะั่งฟังเฉยๆโออมึงบาปมาต้องพูดว่ามึงระบาบด่าเราเนี่ยอยางให้เป็นต้นฟาตลามีรอบบิกเป็นความโปรดปานจากพระผู้อาิบาลของท่านเาริกะนั่นคือหวนเฝ้าคือความสำเร็จ อ่าผิดต้องสังเกต น, นะฟาูรุนความสำเร็จเฉพาะผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์เท่านั้นบนดุนยาใบนี้คนกาเฟตอัลลอฮ์ชมว่าอูลุลอัลบาเองฉลาดมีปัญญางามแต่ฟาูรุนความสาเร็จกับคนกาเฟตไม่มีครับมีเฉพาะผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นฟาูรุนอธิบายอย่างนี้สาเร็จอธิบายกี่ครับ ฟามันโซเชคาอาินาดว่าอุตคิรัญยานนาฟกอดฟานใครที่อาลอบกันไม่ให้ตกนรกแล้วให้อยู่ในสวนสวรรค์นคนเนี้ได้รับความสำเร็จแล้วคนกาเฟไม่มีอย่าพูดดังพูดค่อยๆน่อยอัลลอฮ์ให้เฉพาะผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นความสำเร็จอันฟา้าอัลซีมอันยิ่งใหญ่อันใหญ่หลวงความสาเร็จอันใหญ่หลวงนั้นได้กับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอ์ ที่ทำงานสักนาของอัลลอฮสบัดอดทนเมื่อปีปัญหาเดิอร้อนหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮวันหนึ่งให้ทำแปดข้อนะหนึ่งให้อ่นานคุรานตุวานที่บ้านนะสองนมาศห้าเวลายาขาดผู้ชายพยายามมามัสยิดแล้วเก็บนมาศสุนัขหน้าหลังสมส่มเสมอตัวขึ้นตะหัดยุดด้วยนมาศดุฮาด้วยนมาวิเตดด้วย อย่าเอาเฉพาะเดือนระมดอนอย่างเดียวเราเก็บให้หมดตลอดทั้งปีนั่นแหละเพราว่นาบีไม่เคยไม่เคยทิ้งวิเตสแต่ดูฮ่าเน่ยหยุดบ้างแต่ฮัดหยุดเน่ยหยุดบ้างแต่วิเตสไม่เคยหยุดแต่เราหยุดทั้งปีใช่ว่า <c oughs> <c oughs> ก็เตือนกันเตือนกันแล้วก็ข้อที่สข้อที่สามให้บริจาคข้อที่สให้ขอดุอาข้อที่ห้าให้ซิ้อกรุ๊ปล้อข้อที่หกอย่าทําให้พ่อแม่เสียใจ ข้อที่หกเอาเงินในภรรยาชายาดาลูกยาดาภรรย า, า, รยาข้อที่เจ็ดให้ให้อภัยกับคนคนที่จะต้องดาามีชื่อในกะุรานไม่ดา่าดามดากันเองอะอับุลหฮอับุญหานนันมีชื่ออยู่ในอยู่ในฮะดีษอะฟาโรกอรูนฟิรอหนฮามานอยู่ในคัมภีร์คุรานถ้าไม่ดาก็แล้เนี่ยมาดานี่พวกกันเองนี่ นี่เราเนี่ยใช้อำว่าอ่านกูอ่านไม่เข้าใจถ้าอ่านกูอ่านเข้าใจมันสง่า ง, งามอัลลอฮ์เรามีนาที่ขอดูอาให้คนที่ทำอะไรผิดนะไม่ใช่ด่าเขานะต้องขอดูอาให้เขาบางคนหืมไม่อยากจะเอ่ยชื่อมี้ป่าต้องต้องขอดูอาให้คนที่ทำอะไรผิดผิดบนโลกเราหวังทำความดีหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ต่อมาครับ ในกุณอานคำว่าฟาวซุนเนี่ยพูดทั้งหมด16ครั้งฟาวฟาวความสำเร็จอันยิ่งใหญ่คือการออกจากนรกพาเข้าสวรรค์คนนี้แหละฟาวซุนได้รับความสำเร็จตัววายาที่58หมดเวลาแล้วมึงเนี่ยไม่ทันแล้วมึงว่าฟะอินนามายาสนาฮบลิสานิ ละอัลลอฮุมเนี่ยจะจักรู้ฟ้าอินน์มาจะสนานุบิลิซานิกละอัลลอฮุมเนี่ยจะจักรูนี่พูดเรื่องกุรานก้อเล่มเนี้อัลลอฮ์่าบอกว่าเราได้ทำให้กุรานเนี่ยยัสรนาแปลว่าง่ายได้เข้าใจง่ายสบายใจไหม น, นั่นคนอ่านกุรอ่านใหญ่พระทีเยียบกรูราอ่านไไม่ต้องบ้าตัวเองเจอน่ะแต่เรานั่งเฉยๆไม่ต้องไปถือไม้ไปตีไม่ต้องขอโาษฉะนั้นอ่านกรูรอ่านด้วยหัวใจที่อะไรนะบริสุทธิ์หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺอัลลอจะให้กรูราอ่านเนี่ยเป็นที่เข้าใจง่ายลิซานักเขาลิ้นคือ ทำให้เข้าใจง่ายในการอ่านลิซานบวารินมาถึงพูดอ่านอ่านง่ายอ่านคล่องอย่างนี้เป็นต้นคนทัาอ่านก็อ่านพอๆมีมามีครับหล่อสบาใจอ่านกุรอานอัลลอฮ์จะเปิดถวายใจคนอ่านอ่านอ่านอ่านกุรอานเปิดใจครับเพออัลลอฮ์เปิดใจแล้วเขาจะไม่ด่าคนเขาจะสงสารคนเมตตาคนเพราะอ่านกุรอานนี่แหละมีหลายคนเก็บตัง ตกเห็นตังร่วงเนี่ยไม่กล้าหยิบนะเพราะอ่านกูอ่านเข้าใจไม่กล้าหยิบพอหยิบแล้วก็หยิบได้เอามาประกาศในเงินของใครพันบาทพบที่หน้าสุเราบางคนแบบกูเก็บเงียบริสกีของกูเข้าใจผิดอัดรถทดสอบไปเจอเงินหน้าสุเรามองใสหมองกว่าริสกีของฉันพิษอันต่อมาครับ ละอันละหุ่มยัตตจักกุลให้อ่านกุลอ่านเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ไข้ครคนูนี่ไงครานเพราะอ่านต้องต้องไ้ต้อใช้ใต้องใช้ปัญญานะ่ะอาวัชสุดท้ายจะจบแล้วฟรัรตักิบะอินนาหุมมรุรตักิบุน ฟัลตกิบอินอาหุมมูตกิบุนฟัลตากิบว่าจงคอยเถิดนี่อรอเมตายังอ่ะทำความผิดตั้งเยอะแยะอลราวาฉันไม่ลงโทษคุณให้คอยไปพระที่เหยียบกุระาเนอรรวาเองคอยนะฉันไม่รีบลงโทษแบบฟาโรไม่รีบลงโทษแบบเดซีไม่รีบลงโทษแบบสมัยในบินิํามจมตายหมดเนี่ย ท่านไม่ลำ้ำไม่ทําแบบนั้นเพราะนัลลอฮฺมุหมยขอยุอาวะฉะนั้นฟาตากีบทําความชั่วเองรอการรอมีสองอย่างรอตอบาถ้าไม่ตาบาเองสะสมความชั่วให้กับตัวเองเห็นไหมพอตบบาบาสบายใจไหมให้รีบท่านมีอยู่ห้าข้อใช่ไหมเวลามีคนตาให้รีบฝังมีลูกสาวโตวให้รีบแต่งงานแล้วก็มีนหนี้ให้รีบให้รีบใช้หนี้ก็เวลาทําบาปไม่รีบตอบา ไม่ทาอะ่ะถ้าไม่ทําฟัตตะกิบรอไปก่อนต่อมาอินนหุมมุรตะกกบูนแท้จริงพวกเขาก็รอคอยเหมือนกันคือทั้งมุมินก็รอคอยคนกาเฟสก็รอคอยคนมุมินรออยไรรอสวรรค์คนกาเฟส ร, ออร้อยไรนรกเป็นต้น ขมันเล่น